อันเป็นผลของอกุศลกรรมที่ก่อภัยเวรนั้นๆสมาธิก็เป็นสุญญาตาคือความว่างว่างจากการรมและอกุศลธรรมทั้งหลายในจิตใจจิตบริสุทธิ์ ด้วยอุเบกขาคือความที่วางกรรมวางอากุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นนิวอนเฉยคือไม่วุ่นวายเพราะกรรมเนอกุศลธรรมทั้งหลายจึงเข้าไปเพ่งพินิจอยู่ ดูอยู่รู้อยู่ในภายในสงบอยู่ในภายในปัญญานันก็เป็นสุญตาคือความว่างว่างจากอาวิชชาโมหะความไม่รู้ความหลง ยึดถือวิมุตตก็เป็นความว่างจากกิเลสทั้งหลายเป็นต้นเอาวิชาตัญหาอุปาทานทั้งปวงฉะนั้น สุญญาตาคือความว่างในพุทธศาสนานั้นจึงว่างจากอากุศลกรรมจากกิเลสทั้งที่เป็นอย่างหยาบอย่างกลางแรงละเอียดไปโดยลำดับจนถึงว่างกิเลสทั้งหมด ท่านผู้ว่างกิเลส ท, ทั้งหมดคือพระพุทธเจ้าและพระอระหันตสาวกทั้งหลายมีแสดงว่าท่านอยู่ด้วยสัญญาตาคือความว่าง อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอยู่ในวิชาความรู้และวิมุตต์คือความหลุดพ้นในอิิญาบททั้งสี่และเมื่อท่านจะพูดท่านก็พูดด้วยสุญญาคือความว่าง หรือพูดด้วยวิชาวิมุดดังกล่าวดังจะพึงเห็นได้ว่าวาจาของพระพุทธเจา้าและคลองของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านได้ทรงจำกันมาจนถึงได้จารึกลงเป็นตัวอักษร เป็นคาพีทุกคําทุกข้อทุกบทล้วนเป็นคสั่งสอนให้ปฏิบัติเพื่อวางกิเลสวางอกุศลดังกล่าวแล้วทั้งนั้นและให้ปฏิบัติเพื่อวิชาวิมุติทางนั้น ไม่มีที่จะสั่งสอนให้หมกมุ่นครุกคลีให้ทำอกุศลให้ก่อกิเลส ท, ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงเป็นคําสั่งสอนประกอบด้วยสุ ญ, ญาตาคือความว่างหรือด้วยวิชาวิมุตต์ทั้งนั้นและเมื่อท่านจะมีความตรึกนึกคิด ก็มีความตึกนึกคิดอันประกอบด้วยสุญญาตาด้วยวิชาวิมุตตเช่นเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นสุญญาตาจึงเป็นวิหารธรรมของท่านวิชาวิมุตตเป็นวิหารธรรมของท่าน ท่านอยู่ในสุญญตาวิหารวิชาวิมุตวิหารหรือวัดสุญญตาวัดวิชาวิมุตตลอดเวลาทั้งหมดและก็อยู่ด้วยความสุข เป็นสุญญาตาสุขวิชาวิมุตติสุขหรืออีกอย่างหนึ่งดังที่เรียกว่าแนคขัมมะสุขสุขจากการออกปวิเวกสุขสุขจากความสงัด อุปสมบสุก ข, ขจากความสัสมโพธิสุขสุขจากความรู้พร้อมคือรู้ไม่บกพร่องรู้บริบูรณ์ท่านพูดที่จะบรรลุถึงสุขดังกล่าวนี้ จะต้องปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาเพื่อวิมุตคือความหลุดพ้นทางเดียวคือปฏิบัติเพื่อสุญญาตาคือความว่างจะต้องเข้าวัดสุญญาตาจึงจะพบสุขดังกล่าวนี้และก็พึงเข้าใจว่าอันความสุขดังกล่าวนี้นั่น ไม่ใช่หมายความว่าจะได้จะถึงในเมื่อเป็นพระอระหันต์หรือเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ประสดาบัขึ้นไปแล้วผู้ปฏิบัติแม้ตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต่ำคือสามั ญ, ญชนทั่วไปผู้ปฏิบัติ ในศีลในสมาธิในปัญญาก็ย่อมจะได้ความสุขดังกล่าวนี้ทางนั้นปฏิบัติเมื่อใดก็ได้เหมือนนั้นแต่ว่าจำที่จะต้องหัดกำหนดดูให้รู้จักเพราะเหตุว่า ในขณะที่ปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต่ำนั้นยังมีกิเลสละกองทุกข์พอกพนอยู่ในจิตใจมากยังมักมองไม่เห็นความสุขที่เป็นของละเอียดอันเกิดจากศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติ เพราะว่ามีกิเลสในกองทุกข์ทั้งหลายปกคลุมอยู่ผลของกิเลสในกองทุกข์นั้นปรากฏชัดเจนกว่าคนจึงมองไม่เห็นผลของความดีในปัจจุบันและก็ไปเข้าใจว่าจะต้อง ได้รับผลของความดีในอนาคตบางทีในชาตินี้ก็ไม่ได้ต้องไปได้ในชาติหน้าเมื่อเห็นผลของความดีห่างไกลออกไปดังนี้จึงพอใจที่จะ่วยผลของความชั่วทั้งหลายผลของกิเลสและกองทุก์ทั้งหลาย ซึ่งได้ในปัจจุบันปรากฏในปัจจุบันกันมากกว่าและมักจะไปเข้าใจในปัจจัยเครื่องแวดล้อมทั้งหลายว่าเป็นตัวความดี มองไม่เห็นตัวความดีที่แท้จริงมองไม่เห็นตัวความชั่วที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวข้างต้นว่าจะต้องทําจิตมาให้บริสุทธิ์ด้วยสมาธิน้อยหรือมากจึงจะได้ปัญญาในธรรมที่เป็นตัวความจริง เป็นต้นวันดีจริงชั่วจริงอย่างไรทุกจริงสุขจริงอย่างไรฉะนั้นสามัญชนในโลกนี้ที่ยังมีกิเลสและกองทุกข์ปกครมจิตใจอยู่เป็นอันมาก จึงได้เรียกกันว่าบุตรชนคนที่หนาแน่นอันหมายความว่ามีกิเลสหนามีทุกข์หนามีความชั่วหนาหนาแน่นและเมื่อหนาอยู่ดังนี้ ปัญญาจึงยังไม่ปรากฏที่จะมองเห็นสัจจะที่เป็นตัวความจริงฉะนั้นจึงต้องทำใจให้สงบก่อนแม้ว่าจะยังมีกิเลสและกองทุกเมื่อกิเลสและกองทุกนั้นไม่กำเริบขึ้นมา ครอบงำจิตใจทำจิตใจให้กลัดกรุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายมากเป็นกิเลสและกองทุบที่สงบอยู่ภายในจิตเหมือนอย่างภูที่ปฏิบัติธรรมะจิตเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา กิเลสก็หลบหน้าซ่อนหายเหมือนไม่มีกิเลสแต่อันที่จริงยังมีอยู่เมื่อยังละไม่ได้ก็มีอยู่ตกเป็นตะกรอนลงไปเพราะฉะนั้น แม้ได้จิตสงบดังนี้ก็ย่อมได้ปัญญามองเห็นสัจจะคือความจริงถนัดขึ้นรู้จักความดีรู้จักความชั่วรู้จักทุกข์รู้จักสมุ ท, ทยัยรู้จักนิโรดรู้จักมรรคถนัดชัดเจนขึ้นแต่เมื่อกิเลสที่ยังละไม่ได้นั้นฟุ้งขึ้นมาใหม่ ความรู้แจ่มแจ้งที่เคยได้นั้นก็เสื่อมไปจิตจะถูกกิเลสครอบงำนำไปได้ให้ประกอบกรรมชั่วต่างๆได้ตามอำนาจของกิเลส และบางทีก็ทั้งรู้อยู่ว่าไม่ดีแต่ว่ากดทำเพราะเห็นว่ากำลังของจิตในด้านดีนั้นมีไม่พอที่จะห้ามไม่เป็นตัวสติตัวปัญญาที่จะห้ามได้แต่ว่าราคะโทสะโมหะนั้นแรงกว่าก็นำจิตใจไปได้ สติปัญญาไม่ได้กิตใจไว้กิเลสดึงเอาไปกิเลสก็นําอกไปให้ทำโน่นทานี่แต่เมื่อกิเลสสงบสติปัญญาแจ่มขึ้นมาสติปัญญาก็นำไปให้ทํโน่นทํานี่เพราะฉะนั้นจิตของบุคคล น, นี้เมื่อพิจนารณาดูแล้วก็จะเห็นชัด บางคราวก็ถูกกิเลสดึงออกไปใช้ต่างๆบางคราวก็ได้ธรรมะเกณนสติปัญญานำไปใช้ต่างๆก็กลับไปกลับมากันอยู่อย่างกลับไปกลับมากันอยู่ดังนี้ผู้ที่ได้กระทำกรรมอันใดไว้บ่อยๆเ ส, สมอเสมอ ถ้าเป็นฝ่ายชั่วจิตก็จะน้อมไปในฝ่ายชั่วมากถ้าหากว่ากรรมที่ทำเสมอๆบ่อยๆนั่นเป็นความดีความดีก็จะดึงจิตให้น้อมไปได้มากจิตจะน้อมไปได้มากในทางดีดังนี้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้น การละความชั่วกระทำความดีอยู่เสมอเสมอจึงเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องจะนำให้จิตน้อมไปในทางดีได้เสมอจะทำให้ได้สุญญตาคือความว่างอยู่เสมอและเมื่อเป็นดังนี้เมื่อจิตดีขึ้น มีสมาธิดีขึ้นสงบดีขึ้นปัญญามองเห็นธรรมะที่เป็นความจริงชัดเจนขึ้นเรียกว่าได้สญญาตามากขึ้นก็ยอมจะนำจิตให้น้อมไปในทางดี มากขึ้นไปโดยลำดับและจะพบตัวความสุขดังที่ได้กล่าวมาดังที่เรียกวันเด็กขำมาสุขเป็นต้นบ่อยๆขึ้นมากขึ้นชัดเจนขึ้นทำให้เปรียบเทียบกันได้กับความสุขที่ได้มาในขณะที่ยังมีกิเลสหนานะ ดังที่เรียกว่ากามสุขสุขจากรูปเสียงกลิ่นรถผลทพะทินารักใคร่ปรารถนาพอใจต่างๆสุขที่เกิดจากลาบยศสันเรินสุขต่างๆอันเป็นที่ต้องใจพอใจเป็นที่เพลิดเพลิน ของสัตวโลกทั่วไปของสามัญชนทั่วไปและเมื่อปฏิบัติมาจนถึงได้สุขเกิดจากสุญญตาดังกล่าวมากขึ้นมากขึ้นก็จะได้ข้อเปรียบเทียบเอง จะมองเห็นได้ถนัดขึ้นว่าอันสุขชนิดที่เป็นสุญญตาสุขกับความสุขที่เป็นกามสุขนั้นต่างกันอย่างไรอันไหนเป็นความสุขที่แท้จริง ที่เป็นความสุขจริงๆจะมองเห็นได้เองเทียบกันได้มากขึ้นและเมื่อมันที่จะตรวจสอบดูลักษณะของความสุขดังกล่าวนี้อยู่เสมอเ ส, อสุญญตาสุขหรือเน่คัมมาสุขเป็นตนนั้นก็จะชัดขึ้น จิตจะเหรความสุขที่ละเอียดนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในขั้นนี้ก็ควรที่จะหัดพินิษ์ดูให้รู้จักสุญญาตาสุขหลังจากที่ได้ปฏิบัติกรรมฐ า, านทุกคราว เพราะว่าเมื่อปฏิบัติกรรมาฐานทุกคราวนั้นจิตจะต้องได้สุน้อยหรือมากจากศีล จ, จากสมาธิจากปัญญาที่ปฏิบัติต้องได้แม้ว่าจะมีทุกข์กรบอยู่มากมีกิเลสกรบอยู่มากก็ตามหากว่า สอดส่องพิจารณาดูแล้วก็จะพบจะพบลักษณะก่อนอันลักษณะนั้นจะต้องมีลักษณะที่ออกจะต้องมีลักษณะที่สงัด จะต้องมีลักษณะที่สงบจะต้องมีลักษณะที่รู้ลักษณะที่ออกนั่นก็ถือว่าจะต้องออกได้จากเครื่องผูกพันทั้งหลายจากพันธนาการทั้งหลาย จากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากผลภักอันเป็นที่ตั้งของกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งของทุกข์ทั้งหลายซึ่งโดยปกตินั้นจะเป็นอะไรที่ผูกพันจิตใจอยู่จิตออกไม่ได้แต่เมื่อทำให้จิตเป็นสมาธิได้จะออกได้ แม้ในขณะที่จิตเป็นสมาธินั้นแล้วเมื่อออกได้จิตก็จะได้สุญญาตาคือว่างว่างจากเครื่องพันธนาการว่างจากที่ตังของทุกทั้งหลาย ในขณะดังกล่าวนี้เรียกว่าออกได้และเมื่อออกได้แล้วก็เป็นสุขขึ้นทันทีเป็นความปลอดโปรง่งฉะนั้นจึงเรียก ว, วันเนคขำมาสุขสุขที่เกิดจากการออกดูที่การออกจิตออกได้ไหม เทียบเคียงกับที่ยังเป็นทุกข์กลุ่มกลัดอยู่เพราะอะไรก็เพราะว่าออกไม่ได้สิ่งนั้นนั้นยังผูกพัน จ, จิตใจดึงจิตใ จ, จให้วุ่นวายให้อยู่ไม่ได้ต้องไปโน่นไปนี่ทำนั่นทำนี่อะไรต่างๆซึ่งเป็นที่ตั้งของทุกข์ถ้าเป็นที่ตั้งของสุขก็แล้วไปือเป็นที่ตั้งของทุกข์ ไม่ได้ยึงเป็นทุกข์จิตออกได้ก็เป็นสุขเป็นความปลอดโปร่งและนั่นละัะคือเป็นความสงัดที่ไม่สงัดนั่นก็คือว่ามีสิ่งต่างๆเหล่านั้นครุกคลีคลุกเคล้าวุว่นวายยุวเยืออยู่ในจิตใจดังนี้เรียกว่าไม่สงัดแต่เมื่อออกได้ก็สงัดคือสิ่งที่ครุกเคล้า วุ่นวายยู่เยีอยู่นั้นหายไปหมดเป็นความสงัดและเมื่อสงัดก็เป็นความสงบจิตสงบไม่วุนว่นวายไม่กระสับกระส่ายไม่มีอารมณ์และกิเลส ท, ที่จะดึงออกไปให้กระสับกระส่ายให้วุนว่นวาย จึงสงบอารมณ์สงบกิเลสด้วยสงบความวุ่นวายต่างๆซึ่งเป็นผลด้วยดังนี้เป็นสงบและก็ต้องประกอบกันเป็นตัวรู้รู้พร้อมรู้ที่ไม่บกพร่องรู้ที่ละได้หรือว่ารู้พ้น เพราะว่าเป็นเรื่องของรู้ทั้งนั้นในขณะที่เป็นทุกข์มีพันธนาการเรื่องผูกพันผูกใจอยู่ดึงใจอยู่หลงจิตใจอยู่ ก็ไม่ใช่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้แต่ว่าก็เป็นรู้ที่มีความชอบใจที่จะอยู่กับเครื่องผูกพันนั้นกับทุกนั้นก็รู้ครุกคลีวุ่นวายยั่วเยี่ยไปในจิตหมด เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้บุนวายก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่ายังเป็นความรู้ที่บกพร่องไม่ใช่เป็นความรู้ที่พร้อมเพราะยังมีตัวหลงจึงเมื่อหลงก็เรียกว่าไม่รู้นั่นเอง คือไม่รู้สัจจะที่เป็นตัวความจริงประกอบอยู่ไม่รู้พร้อมเป็นความรู้หลงเป็นความรู้ผิดเพราะฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามหลักของศีลสมาธิปัญญาวิมุติ ก็เป็นการปฏิบัติที่จะได้ทำตัวรู้นี้เองให้เป็นรู้ที่สมบูรณ์ให้เป็นรู้ที่ถูกต้องขึ้นเท่านั้นเองเมื่อเป็นดังนี้ก็จะเริ่มรู้จักว่าที่ผูกพันจิตใจกัยดึงจิตใจ อยู่นั่นเป็นตัวสมุทัยที่เป็นเหตุแห่งทุกข์มันจะเป็นของที่ทำให้เกิดสุขที่แท้จริงอะไรแลวก็รู้ว่าที่ครุกเคล้ายุ่ยเยี่ยอยู่ในจิตใจวุ่นวายไปหมดนั่นก็เป็นตัวสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ ไม่จะให้เกิดสมอะไรก็รู้ว่าที่วุ่นวายไม่สงบก็เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือเรียกว่ารู้จักรูร้จักสจัจจะที่ปินดูคำจริงรู้จักในตัวเอง และเมื่อความรู้อันนี้แจ่มชัดขึ้นวันนี้เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดสุขอะไรเป็นตัวทุกข์สายตาที่ฟาฟางไปเพราะความหลงอันทำให้รู้หลงรู้ผิดนั้นก็จะหายไปเป็นความรู้ถูก ความรู้ถูกนี่แหละเป็น